กมยากกรวมกันสุขการพึ่งัดตกลงเราที่ใจกําลังถูกกระถั่วโดยสิเดตทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งอนทุกขนาดผิดกิจกรามทำมีแต่มีแต่ไแผลวิปลาภวังยังไม่เสร็จไม่หลัอ ก, กันแล้วเราจะเสร็จหลับที่ไหนความทุกข์นอยู่ที่ไหนเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์อยู่ในสถานที่ใด การสืบแถานที่ใดถ้าศัยดิยนพระอากาศอาหารการดูดซูบก็เพียงพอประมาณเท่านั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกใจเป็นศุกเพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนลงในหลักใหญ่และแต่ใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดัดแปงจิตใจให้เปลี่ยนไปเพื่อถูกทางเมื่อความลบเลืนเขาปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับลำบาท่านสอนโดยถูกต้องที่สุด ห า, า, า, าที่แย่งมอปฏิบัติไปจะค้าภูมิปัาได้ไตรงไหนต้องหัดปฏิบตัติจะ่เรียนที่เอาความจำมาถกมาเสียงมาลุกรากันด้วยน้ำลายพาสนาวิจญาไม่ได้ศาสนาน้าลายพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติ ได้เห็นมากนะ้อยโดยปฏิเวทข่อยรู้แจ้งไปโดยลำบากลำบากตามหลักความจริจนมาทั่งรู้แจ้งแก่ตลอดในความจริงทั้งหลายฉันเรียกว่าสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เรายังไม่ทราบว่ศาสนาความร่มเย็ยนใจโลกอยู่หรือไม่ทราบว่าศาสนาความร่มเย็นแใจเราอยู่หรือเราจะไม่ยอมรับความร่มเย็ยนจากศาสนาเรายอมรับแต่ความรุ่มร้อนกับเรื่องชีวิตมาเปนาน็นลานานแล้วเราไม่เห็นหลักหรือ เราคิดสปัญญามีต้องคิดเรื่องนี้ผู้จะเอาตัวรอดต้องใช้ปัญญาคลิกแพนเปลี่ยนแปลงหลายสรรหลายคมไม่รั้นไม่ทันคนมายาสมเกลเยดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถึงคนโง่สาวกสงฆ์ไม่ใช่ถึงคนโง่ฉลาดจอมปากก็คือพระพุทธเิ้าลองลองลงมาก็คือภาษาสงฆ์เรายเห็นไหมท่านโง่อยู่ไหนใครที่พ้นจากทุกข์ไได้ในบรรดาสัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายป้องกันอในทุกข พระพุทเจ้าและสาวกทั้ท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่อเอามาเทียบเทียมกันสิแล้วคําสอนวิธีหรืออุบายวิธีการาต่างๆใครเที่ยว อ, อุบายวิธีสอนวิที่เทียวว่าเป็นนียาไม่กระทันทนำส า, ารไปพ้นจากทุกข์เพเนื่องมาจากสวกขธรรมที่กระ่ดชอบและผู้กลินผู้อย่างไม่ผิดไ ม, ไม่เที่ยงไม่เปลี่ยนตามการตามดูตามฐานที่อะไรอะไรทั้ง น, นั้น พพเพราะกเลสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไปกิเลสจะตายตัวความโลภ ก, ก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรวความโกรธความหลงราบคาตันษ า, ม, า ม, มันเป็นของตายตัวแล้ฝังอยู่ภายในจิตอาจารพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะไจะเปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอยากได้อย่างไรต้องแสดนหลักธรรมให้ถูกต้องแสดงธรรให้ถูกต้องตามหลักความจริ ง, น, งๆๆๆううนี่นใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักภาษา ซึ่งได้สรรนามาเป็นเครื่องมือไถ่ตรองพิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างนีงมีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิดวัตถจักมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆเอามากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สําคัญมันคิดมันปรุงของมันม่นั้นรูปเสียงกลินรสเครื่องสรำผัดคําว่ารูปมีกี่ประเภทเต็มกันดิเสียงก็เหมือนกันเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง เสียงที่เป็นภัยมากก็คือเสียงมนุษย์เราเอาแค่ผ้าแคมนุษย์ก็พอในพระกายพิสกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติ ย, นย่นเข้าไปอีกรูปใดก็ตามนะไม่ได้เป็นภัยต่อนักบวชยิ่งกว่ารูปหญิงอั น, น, นอิทธิรูปังนะในพระกายพิสดุเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิจเป็นภัยเสียแทนก็ในพ้วกหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตดุนะั้น กลินรถความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี่เป็นภัยอันดับหนึ่งที่เดียวเทา่านนี่ท่านสอนในพระธดุกย่นสอ น, นที่ถูทั้งหลายดูความวิสูจน์้งหลายเฉยต้องลาได้เห็นโทษนี่แล้วสิ่งที่ในโลกตายต่อกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องรอ่อหนะักท่านั้นทำหมดอันนี้แล้วไม่ไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคา ม, มีสําหร็์ จากขั้นที่แล้วถ้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมาตเหมือนกันกับผลไม้ที่แต่หือควรจะสุกเป็นลําพังตัวเองแล้วตัดมาโบมก็สุกไปเลยหรือไม่โบมก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากไปเสียในขณะที่ผลไม้น้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะสุกเป็นลําพังตัวเองแล้วมันก็สุก ข, ของมันได้นะพยากเรื่องพระอนาคามี้ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านถึงไม่เกิดคือเลื่อนไปโดนดับค่อยเกิดก้าไปโดนดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทล้าในขันธ์ของเราเราส า, ามารถยิ่เมื่อถึงก้าของขั้ น, นอัตโนมัติแล้วจะไม่ถอยหลังไม่จะหมุนติ้วหมุนติ้วเป็นอัตโนมัติของตนเองโดยเดิม น, น, นี่ท่านอ า, าท่านแมานา่นะกลับมาเพราะสิ่งทั้งห้านี้ที่กล่ามาีะกี้นู้อยู่ยงรเครื่องสัมผัส ทำมารมก็กับอันนี้แหลกับห้าอย่างนี้มาบวกเข้าเป็นทำมาลุ่มก็เป็นอารมณ์สมนี้ได้ผ่านกันไปแล้วได้ขาดจากกันไปแล้ท่านจะไม่มีเบื่อใหญ่ไม่ต้องกลับมาอีแล้วนิพพานไปเลยทีเดียวผู้ได้เช่นระดับขัน้นเึ่นหลังสอบได้ในละดับสอบได้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ขั้นได้นี่ผิดมายว่าขั้นนี้จะไม่ไม่กลับเลยขั้นพระมานออ า, าคาม ผู้ดหกสเป็ดเอร์เแปดสิก็แ ก, กแ่ก้าวเดินแก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนประกานท่านอาวิหาเป็นท่านต่างอาตปะอตปาท่านสูงขึ้นไปนสุทัศสาเป็นท่านที่สามสุทสัศสีท่านที่สี่อภินิษฐาออกจากหน้า ก, ก้านา ก, ก้าวขึ้นจาก อวิหารไปอัตตาเพื่อสารเพื่อสีและปก็ณิธานและนิพพานท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะอันมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดประจากษจิตใจแล้วจะไม่มีเหนืนี้มาดึงดูดจิตใจให้ล่มให้จมให้กดพวงให้คนทุกข์ทรมาณนหมดสิ่งที่ฝังจมรสึกคือเรืองนี้แหละทำทำวุ่นวายจจิตใจก็อันนีการฝึกจิตเพื่อจะ หเห็นสิ่งนี้ ก, มก็มันยากที่สุดมันยากที่จุดนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนน้ํายอกบนฝักในสาท้าของเราเราถอนน้ําออกไม่ได้เราเพราะเราเจ็บคนนั้นต้องยอมตายถ้าเปลือยหมไม่ยอมถอนหนามเพราะเจ็บความเห็นแก่เจ็บเท่านั้น ไม่ได้นึกถึงเหตุผลว่าน้ำเมื่อน้ำฝังจมอย่นั้นมันจะทําอันตรายต่ร่างกายไปได้มากน้อยเพียงไหนจะเกิดความเสียหายเพียงไหนไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาด น, นั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักเบาขนาดไหนต้องถอนออกให้ได้น่าผู้มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วไปดืเสียเจ็บแล้วไปดื่เสียผู้นั้นนะผู้จะได้เจ็บตลอดไปอันนี้เขาเหมือนกันการพุดคัดลอกผุ่นสิ่งใดเทียบเทียงเหตุเทียงผลด้ เราไม่ต้องไปคํานึงคํานวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดหรือเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลาเอาฟาดลงไปเรื่องข้อปฏิบัติมีมากน้อยอย่างไรที่เจ้าสอนเรื่องเรื่องความจริงทุกอย่างเกิดกขบุรีเจ้าก็สอ น, น, นเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรทุกที่เจก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไห น, นอ่าวิชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้ารา ป, า, ญญ า, าปัญญาวิญญาณญาติยาณนามรูปังเรื่อยไปเลย จนกั่งเป็นนุ่งเป็นนามเป็นนามนี่เพราะอาวิชชาเป็นต้นเหตุท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วพิจารณาลงลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไหนมันจึงคล้ายเศษเสมออวิชากับใจเป็นเพื่อนกันดย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้งทีเดียวไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายง่เพราะจึงต้องถามต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริ์เพืออวิชชาซึ่งเป็นกจอมไตรภคได้แก่อวิชพาพิจ า, า, ารณาไปทาาถามไปตั้งแต่การพิจารณา หนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทําไม่ทาใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหลือมันจะพุ้งไปไหนพุ้งขนาดมันพุ้งขนาดไหยเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียนความรู้ษาพยายามความวดอดทนสุนดข้ากันลงไปกุ่มกันลงมปเราจะถอยพระพระุทธเจ้าได้สําเร็จมากกวนิพานเพราะทําเหล่านี้ศรัทธาเวียสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพลังห้ากำลังห้านี่ยฉัน ขันธ์วิญญาณกิตติมังสานี่ญญยขันธที่พอใจที่จะแต่ที่จะขอนจะถอนวิญญาณเพี้ยนเสมอไม่ถอนจิตติไม่จิตทางเหอนีไม่สติขาดเหินจากหน้าที่การงานท้องตวนวิมังสาทําอะไรอย่าให้ขาดปัญญาพิจารณาให้ควรเสมอเนี่เดี๋ยวอธิบายสิ่งที่สมตามสองมุ่งหมายี่ก็คืออธิบายสิแต่เราไม่สามารถใครจะสามารถ เราถอนทุกข์ไม่ได้ชาติชาติมาถอนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตติคโนนาโผซึ่งเป็นธรรมจริงร้อยเปอร์เซหรือความจริงสุดสุดสุดท้ายเราต้องอัตติคโนนาโผการรู้ปฏิบัต<ม>ิครูอาจารย์ผู้แนะนำการสอนเลยดังผู้ะพุทธเจ้าสอนเลยว่าตุมให้จะจิตจังอตัตตัง อ, าาอัคาโลตัลธารตาการประกอบความภาเพเพื่อถอนตนหรือค้นจากทุกนั้ น, น, นเป็นเรื่องของท้ อ, องทันทั้งหลายทําเอง พระพุทธเจ้าท่านหลายเป็นแต่เพียงผู้ที่บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เผู้แก้กิเลสให้นะฟังดิเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นําอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเองหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักตกนักหลบเป็นอย่างนี้นักรบเป็นอย่างนี้นี่อมีต่หลบต่หลบใช่ไหมนายหลบหน้ากิเลสมันจะหลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดกันทํามันแหลกก็เป็นไหลกือ ลงไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าลงมาหลงแล้วต้องตายเนี่ยพราะกิเลสทั้งนั้นนหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาเราจะเอาแบบหนึ่งมีอุบายวิธีแก้ไขเป็นเองนคลิกแฉนแฉงให้คพันครับเหตุการณ์ดูยิ่งเวลามันจนกรอบจังมุมมันฉลาดเองเพราะปัญหาต่างออกสนหลักอยู่เฉยๆเหมืนแบมีแต่กินแล้วนอนกอนแล้วนินอยู่นั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดเลามันจังกรจังมุมมันเกิดหาอุบายคลิกแฉมแฉมแก้ไขสองทีเรียวพอ ปัญญาต้งแจงกินไม่มมได้นอกจากสมาใช้ในสิ่งที่ควรแก่ตใในแก่ฐานะของตนฐานะเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบสอามองดูเหตุผลดีชั่วแล้วควรจะกดเครื่องแก้ไขด้วยวิธีหรือ ด, ด้วยอาการใดนี่เเรื่องของปัญญาส ต, ติเป็นผู้ผควบคุมงานให้ทำความรู้สุดตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเพียรมันไม่มีอะไรจะสงสยัยเรื่องเกิดเรื่องตา ออกจากพบนี่จะกไปพบได้อวิชชาพาให้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เรียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอวิชชาเป็นตัวโรงจับสําคัญทําไม่ถ้าไม่เห็นแล้วงมเงาอยู่นั่นแ่ะตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตายแล้วมันสูงมันสูนย์มันสูญไปไหนพูดเรื่องศูนสูญด้วยคำมืดดำคำตาต่างมืดบอดต่าไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้พิจารณาเห็นต่างความจริงแล้วมาพูดของพระเจ้านั้นหาที่ค้านไม่ได้ วิชาเจตเ ว, อ า, เวาอาเซสบียารามีอเศสบิยาราแลมีโลธาสร้ า, ารงฆ่าราโสร้างฆ่าโลธาวิญญาณในโลกเรื่ยเพราะวิชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นดับดับดับดั บ, ดบไปนิโรธโทโหติดับสนิทไม่มีเหลืออยู่แล้วสังสุดท้ายนั่นคือสรุปความว่าจะตใจอายะสัจจานี้คู่ข้างอายสัจจังสมุทมัทโโทยอายสัจังนิโรธโทอายะสัจจัง เรียกธรรมดานปัตจุบันอายะศัพทนี่คืออริยะศัพท์อวิชาปยาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อวิชาปยาทั้งข่าล่าสร้งอ า, าร า, า, าปรยานีงานอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่รวมใจของเราเนีอยู่ที่ไหนนี่อายะศัพท์อยู่ที่ตรงนี้เรียยะศัพท์ให้มันถึงได้เมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องพบเรื่องชาติจะไม่พ้นไปจากรวมอิทที่กลมกลืนกับวิชาพาให้เกิดให้ตายพบว่าพบอย่างอยู่มี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นเด่นอยู่ภายในหัวใจนี่เวลาตัดขาจากกัน พัทงทลายลงไปไม่มีอนะไรเหลือเหลือจะกลิ่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามทําไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันถามอันใดเนี่ยยกตัวอย่า ง, ง, านนงาาเช่นท่านยักรัติขุกกาลังจะไปทูนถามพระเจ้าเกี่ยว ก, ก, ก, นนกับเรื่องวิชาเนี่ยธรรมะขัานสูงแล้ะละเอียดถอยพอไปขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าแต่ยิ่งฝนตกกรณีไปถึงใต้หลุมถ้าการบ้ญดีก็ฝนตกก็พิจารณาในเรื่องสังขารกับเรื่อง น้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองเป็นฟองขึนง้นมาแลดับไปแลดับไปดับไ ป, บไปมันไม่มีอะไรแล้วก็มาเทียบเรื่องความคิดความปุ้งตุ้งได้ปุ้งดีก็ดับปุ้งชั่วก็ดับปุ้งเรื่องอะไรอะไร ด, ดับดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พายทั้งผัผกดันทั้งขันแบบนี้ให้คิดให้ตุ้งอยู่มาอยู่ในถอยค้นลงไปค้ น, นไ ป, นนไปก็เจอวิชาไปพอเจอแล้วก็สรุปภาพเดียวนั้นวิชาขาดกระเด็น เลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุทธชัเยเลยจําจำบ่ายหายห่วงนะนั่นละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระพุทธเจ้าก็จะได้อะไรมาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงพระองค์สอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมสันทิฏิโกจะพึงเห็นเองปจัจจังเวสบุอยู่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงรู้โดยลาพังตนเองโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นนะก็บอกไว้แล้วไม่จําเป็นต้องมาถามสาถาอือพราะความจริงประกาศสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้ ดังภาษาที่บุตรท่านพูดถ้าตาบดอดหูหงวกก็หาว่าท่านประดุมดูหมิ่นเดียดด่างพระพุทธเจ้าว่าเราเชื่อความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความจริงวางนิ่งนะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะป่อนความเชื่อนั้นเขายังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแม้แต่เชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนเดาออก ยังไม่ถึงความจริงแล้วไม่แต่แล้เป็นความเชื่อทิ่เป็นตัวว่าพระสงฆ์ก็ไปฟังพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตาบอดผู้ดีทนจะว่าไงภาษาที่บุตว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองคก็รับสั่งมาแต่เข้าๆการรับสั่งพระเจ้ามีความหมายไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เชื่อภาษารี่บุตรเราทำไมถึงมาที่นี่มีที่มานะกับเราหล่านี้พระองค์ไม่มีอย่างนั้น อาศสเหตุนี้เท่านั้นแล้วสั่งให้พระชายุบุตรเข้ามาเข้าแ ล, ออแล้วทรงรับสั่งถามนายพระชายุบุได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเรายิงหมายยิงพระเจ้าข้าหนาไม่เชื่อเราเพราะเหตุใดอห่าฟังยิ่งพูดที่เจ้าถามหาตัวนี้นไม่เชื่อ ในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการด้นเดาเท่านั้นยังไม่ถึงความจริงต่อเมื่อข้าพระองค์ได้ปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วเพราะข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างเต็มใบเต็มหัวใจจริงเอาลนะนะถูกต้องแล้วสาธุทำแร้วานกศสอนไว้เพื่ออย่างนั้น ในทำขั้นละเอียดเขาอย่างการพรสงฆ์แสดงแก่การามาการามาชนคือแสดงยกกาลามสูตรขึ้นมานแสดงแก่การามกาลาม า, ามชนอ่าอย่าเชื่อโดยจำอย่าเชื่อตำหนักตำราอย่าเชื่อครูบาจารย์ที่ควรที่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่าเชื่อคนที่ถือว่าควรเชื่อท่าได้แล้วก็อย่าเชื่อนั้นเชื่อนี้เชื่ออย่าเชื่อไปเลย ให้เชื่อตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วมาเชื่อตัวเองก็หมายถึงทําบทนี้เองแต่ที่นีผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงคําบทนี้เขาไม่เคยเห็นทาบทนี้ไม่เคยรู้ทาบทนี้ประจักษ์ใจเลยเขาคือหลวงปู่ย่ไม่ให้เชื่อสำหรับตำราแล้วจะสอนโลกระยาะทํำไงวะแต่ตําราเนี่ก็เป็นตาราที่ถูกต้องเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่อาจารย์ชอบแล้วจารึกลง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 เราพ่อเรารับรองเราแล้วด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เป็นที่นั่นเอาตรงนี้ต่งางเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองงเรียวกว่าปัจจ ต, ตังเมหรือชัน ท, ทิิโกรูร้เองเห็นเองเชื่อตนเอ ง, เองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูอาจารย์ศาสนาซึ่งเป็นแนวทางที่จะเข้ามาทาถึงทาขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสอง เมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันหนึง่งนี่แหละที่สสแสดงในกาลามาสูตรแจกอารามชนโครงทรงหมายทีงนี้เราจะเห็นได้เวลาการบรชนฟังเทศสําเห็จเมื่อผลนิพพานต่งนางมากระซ่องก็เราเขาต้องควรเกทําำขัน้นนี้ผู้เรียจึงทรงสอนมา น, นี้เขาจะสอนแบบสุม่มแบบเจ้าคนอิตาสุาิตาสาว ร, รู้อะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขัน้นนี้แต่ผู้องค์สอนแบบส้นดัง น, นั้นเต็มไปไม่ได้นี่ะเราดูผลที่พระองค์สอนดิ ก็การเรามาชนทั้งหลายนั้นได้ตเ้งแต่มโมโหนิพพานมากน้อยเช่นไรมันก็เหมาะสมกับธรรมทุกองค์รงสัง่งสอนอย่างนี้มีําเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่สัง่งสอนเนี้ยลง ท, างทําลงไปใ ห, ให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอันไดแล้วมันจะปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยหมดกังวลหมดกังวลไปอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราอยู่ตลอดเวลาทุกอุตยาบททุกอาการของความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใด ส่วนหน้าถ้ามีสติจะมีแ e <pase bar. S 1> um. ต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทํางานทั้งว tu ันทั้งคืนเดนเดินแน่นอนและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันดูตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทําทํางานแล้วม่ใช่กิเลสทํางานทําทํางานเพื่อมรักเพื่อผลและขอนถอนกันหน้าโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งขอนถอนหน้าโดยสิ้นเชิงไม่มีสิงใดเหลือเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าอดเอะไม่ใช่เรื่องของทําม พระพุทธเจ้าเป็นตูเป็นอกพระองค์แรกที่อยวที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียงทั้งความอดทนทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งเป็นความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักล่าถอยเราเป็นุกิจฐานคดแม้ไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามงธรรมานสธรรมปฏิปัโนโหติผู้ใดปฏิบททัติธรรมทุกคนจะทำผู้เชื่อรูนั้นบูชาลาฐานคดด้วการปฏิบัติ และเป็นผู้เดินตามปราคตไม่จําเป็นจะต้องปราธานโคดพาเดินว่าเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญพระเจ้พจาพระพุทธเจ้าปฏิญิพผานนานไปแล้วไม่มีความต้องการอะไรกับความนานไม่นานเป็นการเวลาซึ่งเป็นสุนทรการปฏิบัติตามหลักแห่มัชฌิมาปฏิบัติธาซึ่งเป็นธรรมถึงการเหมาะสมกับการแก้เครียดทุก ป, ประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการ ตามเด็จพระพุทธเจ้าโดยลําดับดับจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันพุ่งถีง่ให้สิน้นเสด็จเมื่ อ, อไหร่ก็คู่นั้นแหละได้เขาเ้าเข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นตถาคตเต็มองนางธรรม ท, ท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตกรรมาถึงกจัดจะทำนี่เริ่มเห็นในบืน้องต้นตั้งแต่สมาธิไปก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นปัญญา ก็ดำเนินทางปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญาเต็ตมภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ่นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองพระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างอันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงตัางหากซึ่งเป็นเหมือนกับพวกเราธาตุสี่ขันธ์ห้า 5. องค์พุทธะแท้ทคือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์นั่นแหละที่ว่าเห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้น มันจะเห็นที่ตรงไหนพอมาไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอารมณ์มันมันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอเขเผลอมก็เป็นอีกเผลอเริ่ไปยุ่งเนี่นพยายามตีอีกเป็นบ้าเขาเองจะเอาให้เป็นน้ำอีกเป็นน้นอีกด้วยจิตจะไ ป, นนจะจะปยุ่งนู่นแถ่ไม่เข้าทำงานตามหลัความจริงมันก็ไม่ได้เรือง วเวลาออสธิบัติทาง น, นี้จะไม่เอาอะไรมีหนังสือปฏิโมกเล็กๆปฏิโมกขกหนังสือพกเหมือนปฏิสินพกติดจ่ำอันเดียวเท่านัน้นนี้เอากันละปีติดดวงนี้เอาให้ได้เราเป็นมากสามผมแมันี่นลเล่นใหญ่เลยทั้งวันทั้งคืนคดีไมไ่มีงานอะไรมายุ่งเลย ตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลาเก้าปีเต็มๆนี่เยี่ยวดตลุมบอนกันเลยเจ้าไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้มีแต่หนา้าที่ภาวนาอย่างเดียวไม่ไปอยู่กันวัดที่ไหที่ท่านก่อสร้างอะไรเพราเราไม่ชอบมันขาด ง, งานของเราประกอบกับมิสัยเราเป็นนั้นถ้าทําอะไรทำอย่างจริงจริงพอปล่อยก็ปล่อยจริงจริงตลุมบอลนั่นก็ไม่นานะ การเดินฝ่านั้นได้หลักจิตเลยแล้วก็ได้ร่างพิรั้องได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่อยๆต่อไปได้าได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ทุกคืนได้ทุกวัน ท, ทุกเวลาเป็นแน่วแน่จิตแน่วปังแน่แปเป็นสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นต้อรู้ทีรักษาเถอดตัวมาทำปวดหลังนั่นพอทำปวดยังไม่เสร็จจิดเข้าระดับไม่ระดับเพิ่เลยพอทำปวดเสร็จ ขนาดนั้นมนสื่อมงไปเส่ อ, ง ไ, สองไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไป mm. เทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านลาแต่ได้ล่มงจมแคด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งแม้เงินอยู่ใน ธนาคารที่ฝากเอาไว้ริ้ว อ, อ, อยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนๆก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยโน่นมันเป็นมีความหมายอของเงินที่สูญหาแต่ละโน่นนั่นละที่ทําให้คนนั้นเสียอกเสียใจจนแทบตึงบ้าไปไ<ม>แล้วจิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรอยู่ตามทภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านครับที่ไม่มีเงิน ถึงเหมือนถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นาล้านแต่ล้มจมไปเสียด้วยเหตุใดอย่างไรมากมายเขามีความสุ ข, ขกว่าตันอย่ามากที่นี้ผู้ที่ภาวนาน้ะไม่เคยมีจิตได้รับความสงบได้เป็นหลักเป็นฐานพอเป็นเครื่องยึกเหนี่ยวจิตใจอบสลิ่นใจิตใให้เกิดเป็นความขขอริกษ า, ารย์ในใจต้องไปดูยังี้ก็ดูได้ความเพียนกับขี้เกียจนะ ม่อยากทำความภากความเพลินที่เกลียดพอยังไม่เคยเห็นผลพอได้ปรากฏผลแล้วความเพียลินขยับเขากระย่างเข้าทันตสาเกิดมุมกระเสือมอย่างที่ว่าความเสื่อมอนั่นแหละทําให้เราก็จักระจายเรื่องทุกวันนี้ไม่ติดไม่จำเลยเสื่อมจขนขณะดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้เข้าสงบบ้างไม่สงบางรีบออกไปมันเอาแลจนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สงบย่าย นี่มีแต่ฟืน้นแต่ไฟเผาเมื่อใจอเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปี น, ไนาไม่ใชเล่นนะมันเสื่อลงไปไม่นา น, นะานอ่นอนนะจะเวลามันเสื่อมไปเราต้องปีนก็ไม่ฟื้นให้เวลาจะฟื้นเพราะโลกอารมณ์ปัจจุบันภาวนาแต่พุทโธนั้นจิตนั้นจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมไปเถอเราได้ ยิงวันเราได้ขอน้องขอแล้วเราความหมยองใ่อยเสียดายก็แค่เป็นแคบตายก็ไม่เห็นได้ผลอะไรเลยทางนี้ปล่อยทิ้งอ่ะถ้าเสริมก็เสริมไปแต่พุโทโธเราจะไม่ละเราชอบพุโทโธเราภาวนาพุทไม่ยอมต่อยอยู่ที่บ้านานาซิโนนตอนออกวัดบาอสมเกียรตอยู่กับท่ า, านอาจารมั่นมันพ่อยู่วัดล่างเขาสามองค์เป็เล่งภาวนาพุโทโตตอนนั้นท่านไปขอสพ ข้าวจานสาวถ้าเราเข้าว่ะเราก็ยิ่งสนุกเล่นความเพียรเสื่มก็เสื่มไปคราวนี้เรียกว่าทอดอะไราตายอยากหมดแล้วจะเอาแต่พุโทโธเสื่มก็ไม่ปล่อยพุโทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุโทโธเจริญแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุโทโธทีสิเราเคยปล่อยแล้วต่อการนั้นนะนมีแต่พุโทโธเลยอยู่ทุกอียะบทไม่ให้เถือนขัดกวาลร่างว่างานม า, า, นมาทำอนนะรไรมีแต่พุทโธติดแน่ ที่มันค่อยสงบเข้าสงบค่อย ส, อย ส, อยสลงได้กได้ทีเดียวจิตสงบลงแน่าหางก็ได้แล้วทีนี้พาฐานขึ้นมาเอาอีพุทโธนอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมอะไรก็เสื่อมจนกระทั่งจิตขึ้นถึงขนาดที่เคยเป็นมันจะเสื่อมไม่เสือ่อมก็ปล่อยไม่เสียดายไม่เสียสายไม่มีใจความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุทโธจะไม่ยอมต่อทีนี้ โถ่ไม่ถอยเลยมันเลยไม่เสื่อมเลยเราต้งรู้ว่าอ๋อนี่เป็นพ่อจิตมันไปฆาาหมายสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ทํางานตามหน้าที่ของตนต่างมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทำงนานกับตู้โกงจิตมันไม่เผยจากหลักที่จะให้เตลอดมันก็จะเลยมาหน้านะรู้แล้วหลังจากนั้นแบเอากันอย่งหนักนะโอ้โหไม่ทราบเป็นยังไงมันโมโหจะของเทียบแท้มจะขอนง ถ้าว่าเป็นแบบค า, ารวาสหรือเป็นอะไรถ้าลงในเก็ดแค่ในคนทีน่านั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่ๆนี่แหละความเจ็บแค่มันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอากันหนักเลยเอ า, เอาที่พาวนี้มาเมื่อไหร่กันใหญเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนีน้เพราะเคยทุกเพราะความเสื่อมของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจกักษ์เสร็จหลาที่สุดแล้วหากจะเสื่อมคราวนี้ขอให้ตายซะ เ, เลยดีกว่าตายก็เพราะมันกับความเสื่อม ดีกว่าที่จะมา ย, ยัางเป็นมนุษย์แบกไฟอยานงอยูมม่ภาหัวใจนี้หว่าจึงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโคติกกที่ท่านเจริญชาณส่วนจริญชาณส่ถึงห้าหลนที่ ห, หกคิดว่าจะฆ่าตัวตายอันนี้เข้าใจเข้าได้เข้ามันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดนะแต่สุดท้ายสุดท้าท่านก็พระโคติกกท่านก็เป็นพระาราห์ทบทิศนาตรงตกตอนจะฆ่าตัวเอง เลตรงตกตอนั้นเลยบรรลุพระอรหานต์ที่นึ่งเราถึงไม่เจ็บนั้นมาถึงไม่เสื่อมเลยจริงๆเครื่อนไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี้เป็นยอดของตัวเองปุณหะคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันพายไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกในความเป็นหนี้ทันทีนี่สิไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรงอกเกรงใจใครแต่งงานมีมวลไปผันที่ไหนไม่ปอไม ไม่มีทคามาช่วยเราเวลาเราจมไปไมนมีใครช่วยเราเคยจมมาแล้โมนหนึ่งนะเป็นเวลาทั้งปีนี่เอาเนี่ยเป็นหลักภายในวันวนในบ้า น, นเรืองที่ไหนไม่วารับอขน น, นั้นแต่นั้นมันก็เรื่อยเรื่อยเลือเล่อยเืเเสิน้นแนนเหมือนกับหินเนี่ยเรื่องสมาธิเต็มที่ถึงห้าปีเต็มเต็มมาห้าปีหก้ีหกปีไม่เต็มนแต่ห้าปีนี่เต แต่จิปสมาธิเข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วาจาเป็นอะไรเข้าหรือมเข้ามันเป็นเหมือนกระถิ่นอยู่แล้วอยู่ความมั่นค ง, งของจิตในถามสมาธิทัศเจ้าของสิ่งจากนั้นทีนี่ถูกให้การแด่ายท่านอัจารย์มิสเคอร์เขยอาจนั้นึงถึง เ, เรื่องกการพิจารณาหลังจากออกพิจารณาพราะออกพิจารณานี่มันก็รวดเร็วนี่พอสมาธิมันพร้อมแล้วเอออกพิจารณานั่น หมุนติ hmm. ้วติ้วต้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเรื่องติตปัญญาทำความเพลินลืมหลับลืมนอนจนนอนไม่ได้สองคืนสามคืนพวกนี้แทบเป็นแทบตายทีนี้มันเผลออันนี้มันเป็นเรื่องความเพลนในความเพลินเหนือเหนื่อยเมื่อยล้ากลงวันกเดินจนคงมือมันรจักหยุดจำห่อนโค้นที่จิตใจตลอดเวลาแดดเจียมเปีย นี่โอ้โหนี่รู้สึกว่าร้อนอะไรใไม่ไมงสงบสงมาตาบีนาบีฟาหนะกดึงความเพียรเป็นยังบางตนมันมนาําบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ใต้เขาตายตายเพื่อบูชาไไชธรรมเป็นไรไปละอืยังมีสิ่งนี้อยู่ร้อยปีพันปีบูชาขี้เหร่มันไม่เหเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิก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 ตัวไหนทเป็นตัวทั้งคันมากในวงปราชญ์ธรรมที่มันปิดอย่างนิดิพมือแปดทิพไปได้คือตัวสมุนไพรการมาตัญหาเพราะว่าตัญหายิ้วว่าตัญหาและคาโทสามโมหะเหล่านี้เรื่องของสมุนไพรนั้นความคิดความปรุงออกมาจากสิ่งนี้เป็นผู้ขัดตันให้คิดให้ปรุงจึงเป็นเรื่องตป็นราวยป็งเช้นเป็นสายยาวเหยียดไปจนถึ่เส้นสมุนไพรและกรราพันเจ้ของพันเจ้ของให้เป็นคืนเป็นไข่แม้เชิดดาบเหลือความทุกข์ร้อนเพราะวิลิศัญหามัน เขาหล่นตัวความทุบร้อนความทุกข์พราะประกอบความเพียรทุกข์อย่างร่างกายตั้งใจมีควาก็อยู่ต่อทำเป็นนักสู้สู้มันต่ามันจะไปถอยถึงขั้นถึงขั้นมันจะถึงหนองอ้อมันอ้อนจนได้ควาว่าหนองอ้อนะก็มายถึงอ้อภายในจิตนี้เองหนองอ้ออ้อนน อ, อย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลอความจริงแต่ละขั้นละขั้นแสดงว่าอ้ยังนี้เหลอนะรู้เองชัดเองชัดเอง พูดถึงเรื่องคืว่ิตเสื่อมจิ่เสื่อมมีเหมือนกันพอเวลามันถึงขั้นมันปั๊บ เ, ยเอยออย่างนี้ที่ไม่เสื่อมมันรู้เลยคนทีนะไม่มีใครบอกก็ต า, ามรู้ทันตอนที่จะรู้ก็เอาันขณะเอาันอย่างนั่งถามหงษ์ถามขํามอะไรตอนมั้นจะได้หลักเกินอย่างประจักษ์นะนอกจากนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่น่ะแน่ยิ่งมันรู้ทัน เนเนี่ยขึงกับปีนไปปิงไปแล้วตกมันลงปีนไปตกลงปีนมปโตลงมาคือมันเสื่อมมันจะเลยมีสามขั้นของมันขั้นใหญ่ก็เสื่อมตามคัามยากของขั้นขั้นะเอียดก็เสื่อมจะเดินเสื่อยจะเลยตามขั้นอย่างหนึงของธรรมไม่ใช่เสื่อยแบบขั้นต่ำหากรู้สติปัญญาทำไมจะไม่รู้มันไม่ฉับมันก็จะเลยขึ้นเสื่อมลงจะเลยเฉื่อมลงคลิกแทงกันไงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บปิดตึ๊กเออต้องอย่างนี้แน่เงี้ยแบบนั้น แต่จะมาคาดนะที่พูดอย่างนี้ให้เ ป, ห เ, เป็นหลักของฆ่าตัวเองอย่าไปคฆ่าสมร์อย่าฆ่าสมาเป็นคารฆ่าทำหนอนนี้ไม่ใช่ทำฆ่าหมายนี่เป็นผลของการปฏิบัติต่ามให้เร่งทาหน้ า, านปฏิบตัติการพู้รับเออไม่เสื่อมนี่เป็นผลอย่ายึดอันนี้ไปเป็นอารมณจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินทุงตัวงานที่ควรจะทําให้ถึงไปเพื่อขั้นนั่งๆจะไปไม่รอบต้องไม้บอกไว้สมอง นิสัยของผู้ใดเป็นยังไงเราตามเรื่องสมาธิความสงบของจิตสงบยังไงให้รุ่นในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติทั้งตัวอย่าไปเอาอย่างใครทั้งหมดลงเล่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากาหนดนี่ด้วยสติในทำบุไดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างไรที่กลมกลิของเราแล้วให้ดําเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัตทั้งตัวมันจะมาเป็นการทําลายนิสัยตัวเอง แล้วจะไม่ได้ผลท่านายมั่นไม่มีใครสอนท่านท่านบึกบุนโดยลำพังท่านจัดล้มตายทุกมากท่านทุกมากกว่าเราเป็นดังนั้นา็ทาทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกครสอนเรายังมีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำสอนท่านอาามีท่านอาจมั่นนต้นนาอธิบายวิธีรู้เรือรู้ราท่านดไม่มีใครอธิบายท่านาารบุกบุนท่านตมเตนกันได มีเราก็มีคู่แนะนำของาลอยู่แล้วควาถูกหน้าี่จะต้อบบงลดพฤติกรรบัตตามเอาให้จินให้จําฝึกขาดนิสัยให้จินให้จําอย่าเลาะแหลกพระไม่ใช่มิสยัยเลาะพราะพระเป็นแนวหน้าเขาพูดถึงการลบอบอกแนวหน้าเลาะแหลกไ่ได้เลยเให้จินให้จําอยากให้คหุณเพื่อนรู้ได้เห็นความจริง เราฟัง ค, คนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่าๆไม่เห็นความจริงนะยิยง่งยันใจมี่แย่ยงที่ขอใความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะระยะรยะว่าสมาธิไือว่าขั้นปัญญาจะฉนาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนทั่งถึงหมุนตัวไปเองตัวกระโขนาดนั้นแล้วแหลมคมแน่ๆไม่สงสัยอะไรผ่ามมาพักรู้ทันปั๊บปั๊ปัป๊ปปปปโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องสร้งอกสร้างใ่ให้รู้ก็รู้พอพราะสังขารความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เท่ากับเตือนสติปัญญาปลุกสติปัญญาให้ตื่นในสุญญาตรอยบอกว่าสติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาคราชผู้ตื่นตื่นอยู่ในทางมากท่าน ม, ามาหาสิมหาปัญญาเทียบว่าชาคระความตื่นในทางมากพอถึงขั้นวิสุทธิจิตแล้วเป็นชาคระชโดยหลักธรรมชา ตื่นอยู่ตลอดเวละความหลับกวหลับไปเรื่องธาตุเรื่องขันหลับไปเรื่องจิตบริสุทธิ์ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลาไม่มีการใดที่ดดกิเลสจะเข้าแทรกแสงกได้พอให้เห็นเป็นเงาของสมมุติแม่นิดหนึ่งภ า, างยในจิตดวงที่บริสุทธิ้นั่นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละท่าคิดเชืท่านเรียกว่าชาักระมุกตนมีเป็นผล ชาคาจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของตอนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดสภาวะไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมาชาเราไม่ต้องไปบังคับว่ามาให้พุ้นสิ่งนั้นให้พุ้นสิ่งนี้้าเป็นเอ็นาณจิตส่วนชาคาราคารยบุคคลประเภทมากก็คือว่าดำเนินอรหันตธรรมากมีสติอีตลอดเวลา ไม่มีครั้งมีเผมุนตัวเป็นเปียวอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าชาคละในทางมากพอชาคละนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นชาคละสายผมดึงความรู้สุกธนั่นเป็นชาคละโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละคือแบบผู้เจ้าผู้ตื่นอยู่ตื่นชาพชาชาพยานมโยประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตืน่นอยู่ด้วยสตินานทั้งบอกอิสติ น, น, นะนะเท่านี้สติไม่เรียบก็ติ ชาเขย่บุคคลก็ตื่นในทางความเปลี่ยนด้วยก็แต่ฝึกกินเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้บุรุเจ้าเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาเรามาทำไมท่านด้วยนแะแต่ท่านสุดแล้วทั้งนั้นอุบาลิกาต่างๆเป็นรูปไว้ท่านเดิท ร, ร, รงสุดพระกงค์มาพอแล้วจึงไม่มาสุดพวกเราจินเป็นของฝุดได้อืกินเป็นสมบัติสองเจ้า ของเจ้าของเวลานี้เราจะแยกออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเดียวในขณะเดียวกันที่ถูกความเปลีนน้เราจะไม่สามารถมันเป็นสมบัติของยิ่เหลือโดยโจเวลานี้กําลังยื้อแย่งแข่งวีกันสู้กันด้วยความทักเปียนด้วยสติปัญญาใครเฉลียวฉลาดก็ได้จิตดวงนี้มาครองเมื่อได้จิตดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยี่เหลืออโดยครางไม่ถึงเกิ โกกโสมมุมทางนังแสดงอาการออกมาในจีรังจิตก็ดีแสดงมาทางวาจาทางการอื่นล้วนแน่นจะออกมาจากความโกกบกโสมมของทิเลสทางนันหนักทิเลชเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะจงแยกแยะนี้ต่อสู้กันเพื่อแก้ถอดถอนกิเลสออกหมดให้จิตนี้มาเป็นสมบัติของถังเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นแหละถึงเดืนเกษตรอ่ะธรรมญาสุดาวันที่วันท ทำนี้ดูแตกเลย